กินน้อยใช้น้อยทำงานมากมีความสุขเหลือเจือจานเพื่อนมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ยิ้มตายได้สาทุท่านพุทธทาสพิกขุ ประเด็นที่เราจะพูดกันอาจจะดูแตกต่างจากหลายสัปดาห์ที่เราคุยกันมานะคะครับเนื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสสักนิดหนึ่งนะคะยังไม่หลุดค่ะคุณหมอก็คงเป็นท่านหนึง่งเหมือนกับเพื่อนๆของเราที่ได้ติดตามงานพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ย ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีนี้นะคะครับซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเราๆ เ, เท่านั้นนะคะมีพระราชอคันตุกะนะคะจากนานาประเทศถึง20กว่าประเทศเนี่ยมาร่วมในพิธีนี้ด้วยก็เป็นที่ปราบรื่มกันอย่างท่วมท้นสำหรับพระสนิกรชาวไทยเราแล้วคุณหมอทราบไหมคะว่าของขวัญของฝากของที่คนตามหาอย่างมากในช่วงระหว่างนี้เป็นอะไรคะ รูปภาพค่ะคุณหมอออคไปตรงไหนก็จะมีแต่คนขายรูปมีแต่คนซื้อรูปแล้วก็มีแต่คนเอารูปมาฝากสีเหลืองสีทองเต็มไปหมดเนะต็มไปหมดเลยค่ะและดูแล้วก็ยังเรียกได้ว่าเป็นความสุขที่มีในโอกาสนี้อย่างที่เรียกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ก็เรียกว่าสาธารณาสุขครับสาธารณาสุขตัวจริงเลยนะคะสุ ข, ขที่เป็นสาธารณะที่ม ใครเห็นนะใครได้ยินใครได้ฟังนี่ก็เรียกว่ามีความสุขกันโดยไม่มีข้อแม้ค่ะไม่ต้องซื้อสารทารกสุขตัวจริงฮะค่ ะ, คะพอได้ยินคําว่าส า, ารทารณสุขตัวจริงแล้วนี่นะคะก็ะอดไม่ได้ที่จะนึกถึงพระราชอาคารตุ ก, กะท่านหนึ่งนะค ะ, คะที่มาร่วมในงานทิธีคราวนี้นะค ะ, คะท่านนี้เนี่ยท่านโดดเด่นยิ่งกว่าท่านอื่นๆๆยิ่งนักเลยนะคะคุณหมอ ไม่ว่าจะด้วยการแต่งกายหรือว่าด้วยเรื่องของวัยให้คุณหมอทายค่ะว่าท่านนี้คือใครคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตเอ่ยพระนามของเจ้าชายค่ะที่เป็นเจ้าชายจากประเทศภูตานค่ะนะครับก็คือเจ้าชายจิกมีพระงเรียกว่าได้รับการเป่าถึงค่อนข้างมากโดยเฉพาะหลังจากที่เสร็จพระราชพิธีค่ะดูจากที่พี่ชีน้นาเที เอ่ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกคือคการแต่งกายที่ไม่เหมือนพระองค์อื่นรวมทั้งกิริยาที่อ่อนน้อมนะท่าไหว้ที่เรียกว่าไหว้สวยกว่าคนไทยเราดูออกเลยนะคะว่าเป็นความอ่อนน้อมที่แตกต่างจากท่า น, นอื่นเลยนะคะครับอันนี้นความอ่อนน้อมเนี่ยตรงจุดนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นมากเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยได้เห็นคใช่ไหมว่าเจ้าชายมีสัก สูงเนี่ยยกมือไหว้คนที่มาต้อนรับเองหรือว่าเป็ น, นเสน่ห์ของพระองค์ะนะครับใครทำคนนั้นก็ได้เสน่ห์ไปเองนะคะของอย่างนี้แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะท่านมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลมากท่านไม่ได้ใช้การวัดความเจริญของประเทศจากปริมาณการเพิ่มผลผลิตเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าความสุขมวลรวม ของคนในประเทศเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศฟังแล้วโอ้โหแบบชื่นชมมากอะคะ่ะรู้สึกว่าถ้าเราต้องการความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนประชาชาติแล้วเนี่ยสิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าปริมาณการเพิ่มผลผลิตเยอะเลยนะคะครับ หลายปีที่ผ่านมาที่ประเทศเราใช้ปริมาณการเพิ่มผลผลิตเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศเนี่ยกดดันมากนะคะคุณหมอกดดันให้เราต้องเพิ่มผลผลิตทุกปีต้องเพิ่มอัตราอะไรต่ออะไรมากมายเนีค่ะกลับแลดูว่าเป็นทุกมากกว่าที่จะเป็นสุขไม่ทราบคุณหมอคิดเห็น เ, เป็นประการใดเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมก็ดูว่าจะเสื่อมสร้การไปด้วยค่ะันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราไม่ค่อยได้ยินกั น, น, นแต่ว่าวจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยหลังจากที่ได้ยินคำคานี้เนี่ยผมก็มาพิจารณาดูความสุขมวลรวมประชาชาติเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าเหมือนกับถ้าเราเทียบกับการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ค่ะนะคือตั้งผลไว้ว่าเนี่ยเป้าหมายที่เราจะดำเนินไป จะทําวิธีอาการอะไรบ้างเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่จุดที่เรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยหรือว่าโดยรวมเนี่ยมีความสุขในทิศทางที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งเอาไว้ค่ะแต่จริงๆของไทยเนี่ยก็มีนะอ่ะมีด้วยเหรอคะอ่าของไทยนี่มีแต่ว่าของไทยเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป็นลักษณะของผลแต่ว่าเราตั้งเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นมร์ยังไงคะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะดันั้นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยพระมหา ก, กรรษัตริย์สองพระองค์เนี่ย คือพระราชาธิบดีแห่งประเทศภูตานเนี่ยกับองค์สเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยผมว่าพระองค์คิดเหมือนกันคะนะพระองค์คิดเหมือนกันก็คือว่าองค์หนึ่งเนี่ยคิดเอาผลเป็นที่ตั้งมาแล้วก็ดําเนินนโยบายอะไรต่างๆไปเพื่อให้รู้วัตถุประสงค์อันนั้นกับอีกพระองค์หนึ่งคือพระองค์ที่เป็นองค์พระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยท่านเน้นตรงมัด ก, ก็คือตรงวิธีการปฏิบัตินะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่า ถ้าเราดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย GNP เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยปริยายค่ะนะคือถ้าเราทำมักถูกทำเหตุถูกต้องผลมันก็ต้องไปสู่ความสุขอันนั้นแน่อย่างแน่นอนนะนันจริงๆแล้วโดวยองค์พระมารก็จะสององค์ของโลกเนี่ยผมเข้าใจว่าพระองค์มีแนวความคิดคล้ายกัน <c oughs> แต่ว่ารูปแบบของการนำเสนอเนี่ยไม่เหมือนกันังนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วเราก็ทาทุกอย่างเพื่อให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายนันนั้น <c oughs> กับอันนึงก็คือว่าเรารู้ว่าเป้าหมายเป็นอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรามาเน้นตรงเหตุ <c oughs> พอมาทำเหตุถูกต้องนะมาทำเรื่องของความพอเพียงไม่ว่ากเกษตรพอเพียงอุตสาหกรรมพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างนี้มันก็ดาเนินไปสู่ความเป็นสุข โดยปริยายโดยที่ดูว่าเหมือนว่าจะต่างกันแต่ว่าผมว่าดูแล้วไม่ต่างอยู่ที่ว่าใครจะทำได้หรือไม่ได้มากกว่านะใครจะทำได้หรือไม่ได้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับค่ะก็ด้วยกระแสของทุนนิยมที่เรากำลังดำเนินอยู่ขณะนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มุ่งใช้ความโลภเพื่อเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนา เพื่อกระตุ้นความโลภอีกทีหนึ่งให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่มีที่สิ้นสุดแบบเนี้ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ห่างไกลาจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าความสุขนะคะครับก็เลยอยากจะขอเชิญชวนแล้วค่ะเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะนโยบายของทางพุทธานที่ใช้อยู่ก็ดี หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวโครงการในพระราชดาริก็ดีเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่เราหน้าช่วยกันทำด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขโดยแท้จริงนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงจะได้มีประสบการณ์กับการอยู่ในกระแสของทุนนิยมอย่างที่เมื่อกี้กล่าวว่าใช้ความโลภเนี่ยกระตุ้นความโลภอย่าง หนาเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควรแล้วถึงเวลาแล้วหรื อ, อยังที่เราจะมาเริ่มต้นความพอเพียงกันสถทีแล้วมีจุดหนึ่งที่อยากพูดมากค่ะคุณหมอคะคือเราต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ความยากจนนะคะคุณหมอตรงนี้แล้วค่ะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องทำตัวอยู่อย่างยากจนด้วยหรในม่ฉันมั่งมีพอสมควรแล้วอย่างนี้นะค ะ, คะถึงจะ อยู่ในแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ตรงนี้เราก็ย้ำกันเลยนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่อยู่อย่างยากจนแต่ความพอเพียงเนี่ยจะเป็นความสุขเพราะว่าเราเนี่ยค่ะไม่ต้องไปดิ้นรนจนเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เกิดจากความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้สำคัญมากอยากจะขอน้นย้านะคะคก็ ถ้าคนไทยเราเนี่ยรู้จักนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการดาเนินธุรกิจหรือว่าใช้ในการพัฒนาประเทศของเราแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นที่หวังได้ว่าคนไทยของเราเนี่ยจะมีความสุขอย่างเหลือล้นโดยไม่ต้องสนใจว่าปริมาณการเพิ่มผลผลิตจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะคะก็น่าจะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ การชคือความเพียงพอเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติเนี่ย<อ>ผมมองว่าคืออย่างน้อยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับหลักการหรือว่าวิธีการเนี่ยให้ชัดเจนคืออย่างน้อยก็ต้องคิดให้พอเพียงไว้ก่อนคือมีความคิดมีเป้าหมายนะที่จะเป็นอยู่อย่างพอเพียงได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้จริง ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการแก้ไขที่ชิตใจคคือความพอเพียงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีความพอใช้จนะฮะตรงพอที่ใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันถูกกิเลสหนุนหลัง <c oughs> หรือว่าครอบงําหรือว่าเรียกว่าเป็นเจ้าไนฝ่ายเหนืออยู่เนี่ยนะฮะนั้นตรงจุดนี้ยังเป็นจุดที่แก้ไขที่รากเหง้าจริงๆเลยก็คือว่าต้องมีสีมีธรรม เนี่ยต้องมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมอันนี้เรื่องใหญ่นะคะอเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีธรรมเหตุที่ความสุขมวลรวมประชาชาติก็คือ G H S ที่ประเทศบูตานเนี่ยเขาทําสาเร็จเนี่ยเพราะว่าเขามีพื้นฐานสองอย่างนี้นะมีพื้นฐานสองอย่างนี้ที่เป็นพื้นเดิมของจิตใจของประชากรของเขาท่านถ้าของเราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะยากแต่ว่าถ้าเราเน้นตรงจุดที่เริ่มต้นเพราใจว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรงก็คงทรงเรียนเห็นตรงนี้ด้วยนะว่าจะให้เรากลับไปเป็นอย่างประเทศพูฐานี่ก็คงเป็นไปไม่ได้เรามาไกลเกินแล้วนะมาไกลเกินไปท่านจะทํำยังไงจึงจะทําให้คนไทยเนี่ยมีความสุขได้่วงจึงมาเน้นตรงมั้งอีกอันหนึ่งก็คือวิธีการจะทําให้เกิดความสุขได้โดยเน้นตรงไปที่ความพอเพียงก่อนความเพียงพอและยังอย่างที่บอกไว้ว่ามันต้องเริ่มจากความพอที่ใจงั้นถ้าใจมันไม่พอ ข้างนอกมันปากพูดว่าพอแล้วว่ามันทุกข์อ่ะฮะมันต้องมีความสุขคือพอแล้วมีความสุขแต่ถ้าไม่มีความสุขมันดินเล่าแลเล่าอยู่ในใจเนี่ยมันสุขไม่ได้เดี๋ยวมันก็สะบาดแตกใช่ไหมฮะดังนั้นความสุขหรือว่าความพอที่แท้จริงเนี่ยต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงดังนั้นความสุขอันนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากิเลสยังเป็นใหญ่อยู่ยังเป็นเครื่องนําจิดอยู่หรือว่าครอบนําจิตใจเราอยู่ตัวสําคัญก็คือว่าทํายังไงกิเลสจึงจะเบาบางลงหรือว่าสลัดรอดพ้นออกไปจากกิเลได้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนอกจากสติสมัชัญญะการเจริญสติการฝึ ก, กจิตสึกใจสึกความอดทนอดกลั้นสึกให้จิตใจมีความเมตตาอ่อนโยนเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่นะการคิดละคิดวางคิดให้อภัยคิดเมตตาเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วสีหน้าต้องอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วทัา น, นพอเราทําสิ่งนี้เสร็จปุ๊บมันพัฒนาต่อถึงจุดที่เรียกว่าจเจริญวิปัสสนาได้มีความรู้สึกตัวจิตใจมี สติปัญญาประกอบอยู่เสมอเนี่ยตัวนี้เนี่ยความสุขราคาถูกมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติความสุขราคาถูกนะคะคจะเรียกว่าไม่มีราคาก็ว่าได้คำ ว, ว่าราคาเนี่ยมันมีภาษามันนะฮะพี่สีนน ะ, ะราคามาจากคําว่ารา ค, าอคะออแล้วจริงๆความสุขในทางวิปัสสนาหรือว่าการเจริญสติกรรมฐานหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีราคะได้ก็คือมีความอยากความปรารถนาที่จะทํา แต่ก็ทําทําไปแล้วเนี่ยราคามันจะหายก็คือว่าจะเป็นความสุขที่ไม่มีราคาค่ะแต่เป็นสิ่งที่เหนือความมีราค า, าทีหนึ่งับนั่นจะเป็นความสุขที่เป็นความสุขสงบเย็นซึ่งผมเข้าใจว่านั่นคือเป้าหมายที่เราคาดไม่ถึงว่าโอ้มันทําอย่างนี้แค่นี้เนี่ยเราจิตใจของเรานี้มีความสุขมีความสงบมีความพอเนี่ยมีความพอดีอยู่ในตัวมันเองมันเป็นทั้งความยุติธรรม ทุกคนเรียกร้องความยุติธรรมใช่ไหม <Okay. S 2> ทุกคนเรียกร้องว่าฉันไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเราไม่ค่อยได้รับความไว้ใจจากคนอื่นแต่เราก็ยังไม่ค่อยไว้ใจตัวเราเองเ <Okay. S 2> ลตดังฉุนนี้นี่เป็นจุดที่สำคัญมากต้องเริ่มที่ใจนะถ้าเริ่มที่ใจไม่ได้ผมว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็คงจะเป็นแค่ความฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาพอใจตามมียินดีตามได้กันสัทีนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับคุณธรรมใ น, นเรื่องของความสันโดษ น, นะคะคุณหมอครับแล้วก็ต้องพูดตรงนี้เลยว่าสันโดษไม่ใช่ขี้เกียจครับเนืค่ะแต่สันโดษเนี่ยเป็นความพอดีพองามซึ่งก็วัดกันลำบากนะคะแต่ละคนต้องไปหาจุดพอดีพองามที่ลงตัวของแต่ละคนกันเองนะค ะ, ะอยู่ตรงหยุพอใจแล้วนะครับพี่ค่ ะ, ะถ้ามันหยุดพอนะมันพอหยุดเพืที่ใจเข้าใจมันเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ย เหตุปัจจัยข้างนอกที่จะมาสร้างความสุขมันก็จะน้อยลงคพอใช้เหตุปัจจัยข้างนอกน้อยลงอันนี้มันจะมีส่วนเหลือแล้วฮะพอมีส่วนเหลือก็จะเกิดการให้เห็นไหมเกิดการให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์ภายนอกหรือว่าทรัพย์ภายในพระมันพอที่ใจแล้วเนี่ยจึงจะมีส่วนเหลือที่แท้จริงอันนี้เกิดการให้จะให้โดยที่เรียกว่าไม่ได้หวังผลไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนเป็นการให้อย่างแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆค ด น, นตรงจุดที่เรียกว่าพอที่ใจเนี่ยจึงยังเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญมา ก, มากเป็นเรื่องที่อยากจะแบ่งปันเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตกับเพื่อนของเรานะคะเพื่อเราจะได้มีความสุขกันเยอะขึ้นในชีวิตที่เป็นอยู่นะคะแล้วความสุขตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็ย้ำแล้วว่าไม่มีต้นทุนอะไรมากมายนะคะแต่เป็นความสุขที่เรามักจะลงลืมใช่ไหยคะคุณหมอนะเป็นสาธารณาสุขครับ สาธารณาสุขถ้าใครทำได้สึกจิตได้สุกจิตจนมีสติสัมปชัญญะได้ความเป็นสุขหรือว่าสาธารณาสุขจะไม่มีขีดจำกัดค่ะมาช่วยกันสร้างแล้วก็แผ่ขยายสาธารณาสุขตัวจริงนะค ะ, คะอันนี้ให้มีผลในวงกว้างออกไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นโดยต้องขอเน้นย้าว่ามาเริ่มที่ตัวเราเองก่อน แล้วค่อยให้แผ่ออกไปกว้างขึ้นที่สุดเท่าที่เราจะพอทำได้ตามเหตุปัจจัยของเราแต่ละคนกันแล้วนะคะคุณหมอจะเน้นความสุขมวลรวมประชาชาตินี่นี่ก็เรียกว่าสาธารสุขจริงๆ